จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตต า, ารุณาใจบุงใจผุสมทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กันยายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เป็นสารณะอันประเสริจอย่างยิ่งของสัตว์โลก เป็นสาระเดียวเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีสาร ะ, ะอื่นในโลกนี้ที่สามารถที่จะดับความทุกข์ของสัตว์โลกได้ยังเป็นเรื่องโชควาสนา ของสัตโลกอย่างพวกเราที่ได้มาเกิดและได้มาพบพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี้ก็คือพระพรัตนตรัคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เอง mm hmm. เมื่อเรามีพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็แสดงว่าเรามีที่พึ่งเรามีโอกาสที่จะ เปลื้องความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ว, ว่าทรงเป็นผู้ตัดสู้ได้ด้วยพระองค์เองธรรมที่พระองค์ทรงตัดสั้นี้เป็นธรรมที่ จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระองค์ทรงพบเพชรลับของความสุขและความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองที่ตั้งอยู่ในพระอริยรรสัจสีคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรมระนี่เป็นสัจจะ ความจริงหรือเป็นกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกภายในใจของพวกเราใจของพวกเรามีทั้งความทุกข์และมีความสุขพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ไม่ทราบว่าความทุกข์ของพระ อ, องค์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความสุข ของพระองค์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่รู้ว่ามีความทุกข์และความสุขสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายสัตว์โลกจะไม่รู้เลยว่าความสุขความทุกข์ของตนนั้นเกิดจากอะไรหรือถ้ารู้ก็รู้ผิดเพราะไม่ได้เป็นความจริง ตามที่ที่กฎของความสุขและความทุกข์เขาเป็นอยู่มีพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ทรงศึกษาและปฏิบัติจึงได้ปรากฏเห็นขึ้นมาว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นทุกครั้งที่มีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคือจะอยู่ไม่เป็นสุขเช่นเวลาเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจซึ่งเป็นความทุกข์ภายในใจแล้ว โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองด้วยความอยากไปดูหนังฟังเพลงหรืออยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรืออยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นเสื้อผ้าสวยๆงามๆสินค้าที่ถูกอกถูกใจไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เป็นเครื่องเสียงหรือโทรศัพท์มือถือต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราไม่มีความจำเป็นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้มาเราก็ยังอยู่ได้เราไม่ตายแต่เนื่องจากใจของเรานั้นเกิดมีความอยากได้ของแปลกของใหม่มาเล่น มาทำมาหาความเพลิดเพลินมาหาความสุขนะก็เลยทำให้จิตใจนั้นอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องออกไปซื้อสิ่งที่อยากได้นะนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากความทุกข์นี้มีทั้งสตอน ตอนที่อยากได้ก็มีความทุกข์พอได้มาแล้วก็มีความทุกข์เพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงคอยกังวลแล้วก็ทุกตอนที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไปใจก็จะเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหรืออยากในลาบยศสารเสนสุข <c oughs> เหล่านี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากใจของเราจะสงบจะอยู่ได้อย่างสบายเช่นเวลาใดที่เราไม่มีความรู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรืออยากจะไปทำอะไรเราก็จะรู้สึกว่าอยู่บ้านมีความสุขเพราะว่าตอนนั้นใจของเราไม่ได้มีความอยากต่างๆนั่นเองนี่คือต้นเหตุของความอยากต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆที่เราควรที่จะลดละหรือตัดให้หมดไปจากใจให้ได้ เพราะจะทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอ น, นั่นเองแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบเหตุที่จะทำให้เราตับความอยากได้ก็คือมักที่มีองค์แปด หรือถ้ายอ่อลงมาก็เป็นทานศีลภาวนาทานนี้เป็นการตัดความอยากเช่นเรามีเงินแล้วเราอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรืออยากจะไปเที่ยวท่านบอกว่าให้เอาเงินนี้มาทำบุญเอามาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเลือดร้อนเพราะเมื่อเราได้ช่วยเขาแล้ว ใจของเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะตัดความอยากที่จะไปเที่ยวได้เพราะเงินที่จะไปใช้กับการเที่ยวนั้นหมดไปกับการทำบุญใจก็จะสงบตัวลงได้แต่ถ้ายังมีเงินก้อนนี้อยู่ใจก็ยังจะอดที่จะคิดหาวิธีใช้มันไม่ได้ คิดว่าน่าจะไปเที่ยวนะน่าจะไปซื้อของชิ้นนั้น <c oughs> ชิ้นนี้หรือน่าจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยเงินจำนวนนี้แต่พอเราเอาเงินจำนวนนี้ไปทำบุญเงินนี้ก็หมดไปใจก็หมดเหตุที่จะทำให้อยากจะไปใช้เงิน เพราะเงินนั้นได้ถูกใช้ไปแล้วในทางที่เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองผู้อื่นก็ได้รับความสุขจากการช่วยเหลือของเราเราก็ได้รับความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่น่าเคารพน่ารักน่าเลื่อมใสเป็นคนที่จะมีมิตรจะเป็น คนที่มีผู้คอยคุ้มครองดูแลเราเพราะเราทำคุณทำประโยชน์คนที่มีคุณมีประโยชน์นั้นมากจะเป็นที่รักของผู้อื่นและจะเป็นผู้ที่ผู้อื่นอยากจะคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุด อยู่อย่างปลอดภัยจากภัยต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำทานกันให้มากๆคือกับเงินทองที่เรามีเหลือใช้เหลือกินที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเงินก้อนนี้ก็อย่าไปเก็บเอาไว้อย่างพระภิกษุกูบาอาจารย์ที่ท่าน มีญาติโยงถวายเงินถวายทองให้กับท่านมากมายท่านก็จะเอาไปทำประโยชน์ให้แก่โลกเพราะตัวท่านเองนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองท่านมีอัฐถบริขารสมบัติ8ดชิ้นด้วยกันก็พอเพียงกับการอยู่ของสัมมณะเพศแล้ว นี่คือการทำทานทุกคนทำได้ถ้ามีเงินเหลือใช้ถ้าไม่มีเงินเหลือใช้ก็ไม่ต้องไปเดินนนทหาเงินมาเพื่อเอามาทำทานเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำทานการทำทานนี้เป็นการปลดเรื่องสมบัตินันทองที่มันมีเหลือ หรือมีเกินจากความจำเป็นเก็บเอาไว้ก็เป็นภาระทางด้านจิตใจต้องคอยดูแลรักษาแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับจิตใจเลยกับเป็นเป็นเหมือนของหนักทวงอกทวงใจให้ต้องมีภาระคอยดูแลรักษาถ้าไม่มีเงินที่เหีือใช้แล้วก็ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหามาทำบุญเพราะเราสามารถทำบุญอย่างอื่นได้นอกจากทานแล้วบุญที่ดีกว่าหรือสูงกว่าทานก็มีอยู่อีกสองขั้นด้วยกันก็คือศีลและภาวนาศีลนี้ก็จะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขใจ มีความสบายใจเวลาที่เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทักย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาหรืออบายามุขต่างๆใจของเรานั้นจะมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราได้ไปทำบาปทำกรรม เพราะเวลาที่ทำบาปไปแล้วนั้นใจของเราจะมีความว้าวุ่นขุ่นบัวจะมีความวิตกกังวลที่จะต้องไปชดใช้กรรมต้องไปรับโทษที่เกิดจากการทำบาปต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปใจของเรานี้จะไม่เดือดร้อน จะไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่อย่างใดทำให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปและจะทำให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสบายอกสบายใจไม่ได้อยู่ที่การได้กระทำสิ่งต่างๆที่อยากจะทำเพราะ ความอยากนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขแต่เกิดความว่าวุ่นขุนบัวแล้วถ้าทำตามความอยากไปในทางที่ไม่ชอบอยากได้อะไรก็หามาโดยวิธีที่ทุจริตคือทำบาปทำกรรมก็จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ใจขึ้นไปเป็นสองเท่าทุกแรกก็เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ทุกที่สองก็เกิดจากการที่ไปทำบาปทากรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนอยากได้มาถ้าเราทาบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้และใจของเราก็ไม่มีความวุ่นวายกับความอยากได้เพราะเวลาทาทานแล้ว จะมีความอิ่มใจมีความสุขใจแล้วก็จะมีความเมตตาการุณาคือจะมีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นถ้าจะทำอะไรก็จะระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบกระเทือนผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจก็จะสามารถตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ ไม่ยากเย็นใจอย่างใดต่างกับผู้ที่มีความโลภมากอยากมากใจจะมีแต่ความคิดที่เห็นแก่ตัวเพราะอยากได้อะไรก็ต้องพยายามหามาให้ได้ถ้าจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ไม่คานึงถึงจะไม่สนใจขอให้ได้ สิ่งที่ตนอยากได้หรือขอให้ได้ทำในสิ่งที่ตนอยากอยากจะทำเท่านั้นเองแล้วเมื่อทำไปแล้วถ้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวผู้อื่นเขาก็จะต้องกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานี่ปัญหาก็เกิดขึ้นจากที่ใจไม่มีทานใจไม่กว้างใจไม่เสียสละ ใจไม่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นคิดแต่ประโยชน์สุขของตนเองแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าใจเราคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นบ้างคิดช่วยเหลือผู้อื่นบ้างให้ความสุขแก่ผู้อื่นบ้างใจของเราก็จะมีความเมตตามีความการุณาจะอยากอยากจะเป็นมิตรอยากจะทา ความดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเวลาจะทำอะไรก็จะระมัดระวังจะไม่ให้เกิดความเสียหายก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจก็จะมีความสงบมีกายวาจาที่สงบไม่เดือดร้อนไม่ไม่วุ่นวายไปกับความกังวลที่จะ กังวลว่าจะถูกบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาทำร้ายเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองนี่ก็คือผลที่จะเกิดต่อเนื่องตามกันมาให้ทานแล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายแล้วก็จะทำให้ความโลภความอยากน้อยลงไปเพราะความ อิ่มใจจะมีมากขึ้นเอตที่พวกเรามีความโลภความอยากกันเพราะว่าใจของเราไม่อิ่มนั่นเองเหมือนกับร่างกายของเราที่มีความหิวเพราะไม่ได้รับประทานอาหารถ้าร่างกายได้รับประทานอาหารตามเวลาร่างกายก็จะไม่มีความหิวฉันใดใจของเราถ้าได้รับอาหารคือทาน อย่างสม่ำเสมอคือการให้ทานอย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะมีความอิ่มอยู่เรื่อยๆก็จะทาให้เราไม่ค่อยอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้แต่ยังไม่ได้ทำให้ความอยากนั้นหมดไปเพราะทานนี้เพียงแต่ทำให้ความอยากต่างๆนี้เบาบางลงไปเท่านั้นเองจะทถ้าอยากจะให้ ความอยากต่างๆนั้นหมดไปเราต้องใช้การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบแล้วก็ทำจิตใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขภายในใจความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เอง นี่คือหน้าที่ของการภาวนาต้องการภาวนาเพื่อทําใจให้สงบซึ่งเราก็สามารถทําได้สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนาคือทําใจให้สงบด้วยการใช้อารมณ์ข่มใจหรืออารมณ์ลอใจอารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปที่รู้จักกันทั่วไปก็คือการบริกรรมพุทธโธให้ใจของเราลำลึกถึงคำว่าพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจของเราบริกรรมแต่คำว่าพุทธโธพุทธโธไปอย่างต่อเนื่อง ความคิดต่างๆก็จะเบาบางลงไปจางหายไปอารมณ์ว้าวุ่นขุนมัวที่เกิดจากความคิดต่างๆก็จะจางหายไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีหลงเหลืออยู่ใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบใจก็จะว่างจากความคิดต่างๆมีแต่ความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน เป็นความสุขที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นความสุขที่จะทำให้เรากล้าที่จะทิ้งความสุขต่างๆไปได้หมดเพียงแต่ว่าความสุขแบบนี้นั้นเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะหลังจากที่จิตสงบตัวได้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วจิตก็จะต้องถอนออกมา พอถอนออกมาก็จะมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอารมณ์ต่างๆตามมาต่อไปอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างสลับกันไปอารมณ์ดีก็ยังไม่ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วถ้าไปเจออารมณ์ไม่ดียิ่งทำให้จิตใจมีความรุ่มร้อน มีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความทุกข์มากความทุกข์ทั้งหลายนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความคิดของเรานี้เองถ้าเราคิดไปในทางตัณหาความอยากคิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตางขึ้นมาถ้าเรารู้จักควบคุมใจด้วยการบริกรรมพุโทโธเราก็สามารถที่จะต้านหรือทำให้ความคิดที่จะคิดไปในความอยากนี้เบาบางลงได้หรือสงบตัวได้เป็นครั้งเป็นคราวเรียกว่าเป็นสมถะหรือเป็นสมาธิ เวลาจิตสงบตัวลงด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อละงับดับความคิดต่างๆจนจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมีความสุขอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าสมถภาวนาแต่เป็นความสงบสุขที่ไม่ถาวรถ้าเราต้องการความความสงบสุขที่ถาวรเราต้องใช้ การภาวนาขั้นต่อไปที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือเราต้องทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเรามีความชื่นชมยินดีอยากมีอยากได้อยากเป็นนี้พราะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นความทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความสุขในรูปแบบของออยาขมเคลือบน้ำตาลคือมีความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มีความทุกข์มากมายกายกอง น, นับไม่ถ้วนเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วเราก็มีความสุขแต่หลังจากนั้นไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปทีนี้ก็จะมีแต่ความทุก ให้เราต้องคอยมาทุกขกับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราต้องดูแลรักษาคอยปกป้องแล้วเราก็ต้องมาทุกกับการสูญเสียการพัดพรากจากกันเช่นเวลาที่เราได้คู่ครองมาได้สามีได้ภรรยาตอนต้นเราก็อยากได้สามีเพราะเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเหงาววาดเว คิดว่าเราได้สามีได้ภรรยามาแล้วเราจะมีความสุขซึ่งเราก็จะมีความสุขในตอนต้นเวลาที่เราแต่งงานกันใหม่ๆแต่พอเราอยู่กันไปแล้วทีนี้เราก็ต้องคอยดูแลกันคอยห่วงคอยห่วงกันเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตาก็จะมีความกังวลมีความวิตกือเวลาที่เขาไป ไปคบค้าสมาคมกับคนอื่นก็จะทําให้เราเกิดความริตกกังวลว่าเขาจะไปมีใหม่มีคนใหม่หรือเปล่านี่ก็เกิดเป็นความทุกข์ตามมาเราต้องทุกอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทําอะไรดีก็ทุกข์ไปแบบหนึง่งเขาไม่ดีก็ทุกข์ไปแบบนึงเวลาเขาไม่ดีเราก็ชอกช้ำใจ เวลาเขาดีเราก็ต้องคอยหวงคอยห่วงคอยวิตกคอยกังวลกับสภาพของเขาแล้วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปตอนนั้นเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่มีคู่ครองเลยไม่มีสามีไม่มีภรรยาเลยความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความสุข สงบสุขทางใจเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าการที่มีคู่ครองนี้เป็นความทุกข์เราก็ต้องพยายามสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบใจให้ได้พอเราสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบใจให้ได้แล้วแล้วเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเรานอกจากความสุข ความสงบของใจนี้ต่อไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการมีอะไรเราก็จะสามารถดับความอยากต่างๆได้อย่างถาวรทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเราก็จะมีความรู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นความทุกข์ทั้งนั้นท่านถึงเรียกว่าอานิจจังทุกข์ขังอนัตตาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราคือเป็นอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้คนนั้นคนนี้ดีกับเรา ไปได้ตลอดเราไม่สามารถห้ามไม่ให้คนนั้นไม่ดีกับเราได้เขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีนั้นเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีปัจจัยทาให้เขาดีเขาก็ดีถ้ามีปัจจัยทใ า, า, าจจยทให้เขาร้ายเขาก็ร้ายเขาเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวของเขาเองได้ ทั้งๆ ท, ที่เขาก็อยากจะดีแต่บางทีเขาก็ไม่ดีก็เพราะว่าเขาก็อยู่ภายใต้กฎไจรักษณ ก, กฎอนิจจทุกขังอนัตตานั่นเองพวกเราจึงต้องพยายามสอนใจเราอย่าหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าจะให้ความสุขกับเราพยายามศึกษามองทะลุความสุขเล็กๆน้อยๆที่บังความทุกข์ต่างๆ ที่จะตามมาต่อไปอย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันจะดีในตอนต้นเท่านั้นเองตอนที่เราได้มาใหม่ๆแต่พอเราได้มาแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนไปจากใหม่ก็เป็นเก่าไปจากของที่เราเห็นแปลกหูแปลกตาก็จะเกิดเป็นของที่จำํำ จำเจเวลาเราเห็นอะไรที่จำเจแล้วความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นตามมาต่อให้ดีขนาดไหนต่อให้เราชอบขนาดไหนก็ตามถ้าเราต้องเจอสิ่งซ้ำซ้ำ ซ, ซากํากเดิมๆอยู่เรื่อยๆต่อไปความชอบนั้นก็จะหายไปเช่นเราชอบอาหารชนิดใดถ้าเราต้องกินอาหารชนิดนั้นทุกวันวันละสามมือ รับรองได้ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเราก็จะเกิดอาการเบื่อขึ้นมาเช่นเดียวกับคนที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันไปเป็นสิบสิบปีเราก็จะต้องเกิดอาการเบื่อขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็ความสุขที่เคยได้มาจากความรักความชอบก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปได้นี่คือการพิจารณาทางวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเปลี่ยนไปจากใหม่ก็ต้องกลายเป็นเก่าจากดีก็ต้องกลายเป็นไม่ดีไปในที่สุดถ้าเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรเราสู้มีความสุขอยู่กับความสงบของเราดีกว่าแทนที่จะออกไปเที่ยวเราก็เข้าไปในห้องนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบพอใจให้สงบแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมา โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวให้เสียเวลาไม่ต้องไปอาบน้าแต่งตัวขับรถขับลาออกไปนอกบ้านแล้วก็ได้ความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นเหมือนควันไฟเวลาได้ออกไปเที่ยวก็มีความสุขแต่พอกลับมาบ้านก็เศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนเดิมสู้สร้างความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้เราสามารถ ทำให้มีอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ทำมาแล้วเป็นตัวอย่างท่านก็เคยมีทรับสมบัติเข้าวของเงินทองมีความสุขแบบที่พวกเรามีกันอยู่แต่ท่านมีปัญญามีความฉลาดท่านมองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนมากับความสุขต่างๆนั่นเองท่านจึงกล้าที่จะตัด ความสุขเหล่านี้ออกไปแล้วก็ออกแสวงหาความสุขที่เกิดจากการสงบของใจจนได้พบกับความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยที่ทรงเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ภายในใจของพวกเราานี้เอง และอยู่ในการปฏิบัติเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยศรัทธาความเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าข้อทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราบางแผ่นให้เราปฏิบัตินี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริง จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาและความดับทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้